วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราชสอง3ห้าาเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานงต่างๆ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 ตามลำดับจนหมดสิ้นไปวันนี้จะเอาเรื่องการเลี้ยงดูจิตใจมาฝากท่านทั้งหลายชีวิตของเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คนหนึ่งมีร่างกายสองมีจิตใจที่ต้องการการดูแลเท่าๆกันร่างกายก็ต้องการดูแลเลี้ยงดูและจิตใจก็ต้องการดูแลเลี้ยงดูสิ่งที่จะมาเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกข์ก็คือปัจจัยสี่ของร่างกายได้แก่หนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มสามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคถ้าร่างกาย มีปัจจัยสี่พอเพียงร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์ไม่ตายจะอยู่อย่างสุขสบายจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่ของจิตใจที่จะมาสนับสนุน มาเลี้ยงดูจิตใจให้มีความสุขความสบายไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามารบกวนใจร่างกายต้องการอาหารเพราะอาหารจะทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงมีกำลังวังชา และดับความหิวของทางร่างกายใจก็ต้องการอาหารที่จะมาให้ความอิ่มกับใจมาดับความหิวของใจมาให้ความสุขแก่ใจอาหารของใจนี้ก็คือการทำบุญทําทานเวลาที่เราได้ทำบุญทําทาน ใจของเรานี่จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาจะทำให้ใจไม่หิวกับสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือหิวกับการดูการฟังการเที่ยวการเล่นการมีสิ่งของ พุ่มเฟยต่างๆการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งถึงแม้ว่าจะให้ความสุขกับใจแต่เป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่จะเพิ่มความหิวความอยากให้กับใจอยู่เรื่อยๆจะทำให้ใจอยู่เฉยๆไม่ได้ ใจต้องไปหาสิ่งต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาคอยเสพอยู่เรื่อยๆเสพได้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเป็นความสุขแบบชั่วคราว ได้มาแล้วก็จางหายไปปล่อยให้ใจมีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องไปคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆมาคอยให้ความสุขอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาลาบยศหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มาให้ความสุขกับใจได้ใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมาบางคนทุกข์มากมากก็ถึงกับการคิดฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ได้ดังใจอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจจน บางทีทนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าตัวตายแต่ถ้าได้มาให้อาหารกับใจอยู่เรื่อยๆคือได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใจจะมีอาหารหลร่อเลี้ยงจิตใจจะทำไม่ให้ใจหิวกับพวกรูปเสียงกลิ่นรสผุทพะชนิดต่างๆ จะทำให้อยู่เฉยๆได้เวลาอยู่เฉยๆก็จะไม่รู้สึกมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวเพราะใจไม่หิวกับอะไรต่างๆนั่นเองใจมีบุญมีอาหารคอยหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เรื่อยๆนะครับและเวลาที่ ไม่สามารถที่จะทำบุญก็จะไม่เกิดอาการรู้สึกเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขแต่ก็ไม่รู้สึกจะมีความทุกข์ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าได้ทำบุญก็ดีได้ความสุขเป็นอาหารของจิตใจ ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นเหมือนยาเสพติดไม่ควรเสพยาเสพติดกันเสพแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานจใจให้เอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดนี้ไปทำบุญทำทานจะดีกว่าจะทำให้ใจนี้ไม่หิว ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงแม้ว่ายังจะตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปไม่ได้ก็ตามแต่อย่างน้อยก็ควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่พอที่จะควบคุมได้ไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์ทรมานใจถึงกับการที่อยากจะคิดฆ่าตัวตายกัน การทำบุญทำทานนี้ก็ทำได้กับบุคคลทุ ก, ทกชนิดไ ม, ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดกับพระเท่านั้นความให้การให้นี้ให้กับบุคคลใดก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับผู้คองเรือนก็ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้ได้ให้นกให้ปลา ให้สุนัขให้แมวให้ความสุขกับเขานะั่นแหะการทําบุญนี้แปลว่าคือการให้ความสุขกับผู้ที่เขาไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยหรือมีความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนเราไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาทําให้เขาเกิดมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมา พอเราเห็นว่าเขามีความสุขจากการเสียสละแบ่งปันของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาการทำบุญนี้ทำได้กับบุคคลทุกประเภทถ้าต้องการเป็นถ้าต้องการการทำบุญเป็นอาหารใจทำกับไข่ก็ได้ เหมือนกับรับประทานอาหารจะไปรับประทานอาหารร้านไหนก็ได้รับประทานแล้วก็อิ่มเหมือนกันการทาบุญกับวัดก็ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจการทาบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ทำให้เกิดความอิ่มใจสศกใจขึ้นมาเหมือนกัน ดังนั้นการทําบุญเพื่อให้เป็นอาหารของใจนี้ไม่จําเป็นจะต้องเลือกทำกับพระอาริยะพระอรหันต์เพียงอย่างเดียวนะการที่เราเลือกทําบุญกับพระอาริยะกับพระอรหันต์นี้เราต้องการสิ่งอื่นมากกว่าอาหารของใจสิ่งที่เราอยากได้จากพระอาริยะพระอรหันต์ก็คือวิชาความรู้ คือธรรมะคำสัง่งคำสอนพอเวลาที่เราได้ไปทำบุญกับพระอริยพระอรหันต์ท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังเราก็จะได้ความรู้ที่จะมาช่วยดับความทุกข์ต่างๆที่การทำบุญทำฐานไม่สามารถดับได้ ต้องอาศัยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดับถ้าเราต้องการธรรมะและต้องการอาหารใจคือบุญเราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราไปทำด้วยเราก็ต้องเลือกบุคคลที่มีธรรมะมากๆยิ่งมีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากจากท่านนั่นเอง บุคอลายรบุคคลนี้ก็มีธรรมะมากน้อยตามลําดับของของลำดับของขอ ง, ขอ ง, ข, องของการบรรลุธรรมของแต่ละท่านถ้าได้เป็นพระโสดาบันท่านก็มีความรู้ระดับของพระโสดาบันถ้าท่านเป็นพระสกิดาคามีท่านก็จะมีความรู้มากกว่าความรู้ของพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระ อ, า um. อาานาคามีท่านก็จะมีความรู้มากกว่าพระโสดาบันพระสกิดาคามีถ้าเป็นพระอนันต์ท่านก็จะมีความรู้มากกว่าพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะมีความรู้มากกว่าพระอริยบุคคลทั้งสี่ระดับถ้าเราได้ พบกับพระพุทธเจ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ธรรมะที่อาจจะทําให้เราสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่เราฟังธรรมเลยก็ได้นี่คือทําไมเราทําบุญเราต้องเลือกบุคคลถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกบุคคลที่มีธรรมะมากๆมาสอนเรา แต่ถ้าเราทําบุญเพื่อให้เรามีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ต้องเลือกบุคคลก็ได้ทําบุญกับใข่ก็ได้แล้วทำบุญกับบุคคลที่เราชอบทําก็ได้บางคนชอบทํากับพระก็ไปทําบุญกับพระบางคนชอบทําบุญกับเด็กก็ไปทําบุญกับเด็ก บางคนชอบทําบุญกับสัตว์ก็ไปทําบุญกับสัตว์ไปปล่อยไปถ่ายชีวิตวัวควายไปปล่อยนกปล่อยปลาสุดแท้แต่ทําบุญกับคนที่บ้านก็ได้ทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้บางคนเคารพพ่อเคารพแม่รักพ่อรักแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขมากๆ ก็ทำบุญกับพ่อกับแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่สุขอยู่สบายการกระทําเหล่านี้ถือว่าเป็นการให้อาหารใจญะ<ม>การจะทําบุญนี้ก็มีหลายวิธีด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แต่เงินทองเพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็สามารถใช้ร่างกายของเหล่านี้ เป็นเครื่องมือทำบุญก็ได้เช่นรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายของเราไม่มีเงินทองซื้อข้าวซื้อของมาแต่มีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานสาธารณกุศลต่างๆอย่างนี้ก็ได้ทำบุญเหมือนกันทม ถ้ามีวิชาความรู้เอาวิชาความรู้มาสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บสตางไม่เรียกค่าตอบแทนเช่นมีความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เอาไปสอนเด็กที่ต้องการที่จะเรียนเพิ่มเติมโดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายสอนฟรี อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทานถ้ามีธรรมะที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหรือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเราถ้ามีใครสนใจธรรมะอยากจะสนทนาธรรมด้วยก็เสียสละเวลาสนธนาธรรมกับเขาให้ธรรมะกับเขาไปะ เพื่อเขาจะได้มีธรรมะไว้มาเป็นเครื่องคอยดับความทุกข์ใจต่างๆของตนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานการทำบุญทาทานมีหลายวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้อภัยเวลาใครเขาทำให้เราโกรธเกิดความมาฆาตพยาบาท เราให้อภัยเขาเราก็จะดับความโกรธภายในใจของเราได้เขาก็ไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมจากเราเพราะเราจะไม่ไปทำร้ายเขานั่นเองเขาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนทำให้เรากอดแค้นขึ้นมาแต่เราก็ไม่จองเวรจองกรรมให้อภัยเขาก็ปลอดภัย จากการกระทบมิดีมิร้ายของเราเราก็ดับความโกรธซึ่งเป็นเหมือนไฟนระกเผาใจเราทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราอยู่เป็นปกติได้และทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นนี่คือวิธีการทำบุญทำทานต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาสั่งมาสอนพวกเราเพื่อเป็นวิธีหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราให้มีความสุขให้มีความสบายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายไปเปล่าๆเช่นไปหาเงินหาทองมาถ้าเป็นท่าตาย แล้วก็เอาเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพชนิดต่างๆซึ่งเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเสพแล้วก็ติดก็ต้องคอยหาเงินหาทองมาซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าเวลาใดมีอุปสรรคในการหาเงินหาทองก็จะไม่สามารถซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ได้ ก็จะเกิดอาการทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมาซึ่งถ้าทุกข์มากๆทรมานใจมากๆ ก, ก็จะคิดฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าเรามีเงินเหลือจากการทรมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแทนที่เราจะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพ์ที่เป็นเหมือนยาเสพติด ข, ของใจ เราก็เอาไปทำบุญทำทานเราก็จะได้มาดับความหิวของใจในการที่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปทำให้ชีวิตของเราสามารถอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นรนบา ก, กัดตีนถีบเพื่อหาเงินหาทองมาซื้อความสุข ของรูปเสียงกลิ่นลอซื้อแล้วเงินทองก็หมดก็ต้องคอยหาคอยซื้อมาอยู่เรื่อยๆคอยหาเงินอยู่เรื่อยๆเพื่อมาซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเอาเงินไปทาบุญแล้วความอยากจะซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนอตต่างๆก็จะเบาบางลงไปและอาจจะหมดไปก็ได้สำหรับบางคนที่ทาบุญเป็นประจำนี้ จะไม่เคความคิดที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นี้แทมจะไม่มีความคิดที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี่กับไม่มีเพราะเห็นความแตกต่างของผลที่เกิดจากการใช้เงินไปกับาการซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกับการใช้เงินทองไปกับการทาบุญว่ามีผลแตกต่างกัน เหมือนกับการซื้ออาหารกับการซื้อยาเสพติดนะนี่คือวิธีแรกที่พวกเราจาเป็นที่จะต้องมกีกันก็คือมีการทำบุญทำทานเพื่อจะได้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นเหมือนร่างกายคิดดูถ้าร่างกายเราเสพแต่ยาเสพติดนะไม่กินอาหาร ร่างกายเราจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็จะต้องสู้ผอมและอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อาจจะต้องตายไปได้แต่ถ้าเราไม่เสพยาเสพติดเราซื้ออาหารเอาเงินที่ซื้อยาเสพติดมาซื้ออาหารรับประทานร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มาเบียดเบียนจะอยู่อย่างปกติสุขไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้นี่คือประโยชน์ของการมีอาหารสำหรับร่างกายประโยชน์สำหรับอาหารของใจก็เช่นเดียวกันทำให้ใจนี้ <c oughs> อยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันในภพปัจจุบันคือในขณะนี้ แล้วยังมีประโยชน์สุขตามมาต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องอาศัยบุญเป็นอาหารต่อไปถึงแม้จะไม่สามารถไปทำบุญได้แต่บุญที่ได้ทำไว้จะสะสมไว้อยู่ในจิตใจจะเป็นเหมือนสเสบียงที่จะพาให้จิตใจในขณะที่ไม่มีร่างกาย มีสเสบียงมีอาหารไว้รับประทานจิตใจของผู้ที่ทำบุญจึงไปสู่สุขติหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแทนที่จะไปสู่อบายจิตใจก็จะไปสู่สุขติกันเพราะจิตใจมีบุญพาไปไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ บุญที่ได้ทำไว้ก็จะมาลต้อนรับอีกครั้งหนึ่งจะมากลับมาเกิดมีฐานะดีกว่าเก่าเคยทำบุญทาทานเท่าไหร่ก็เหมือนเอาเงินที่ทำบุญทาทานนี้ไปฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเกิดใหม่ก็มาเบิกเงินฝากได้บวกดอกเบี้ยด้วยและดอกเบี้ยนี่อาจจะมากกว่าเงินต้นก็ได้ พกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด็กครั้งหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาหลายปีด้วยกันดอกเบีย้ยก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่าเงินต้นจะทำให้กลับมาเกิดน่ํารวยกว่าเกา่ามีฐานะการเงินการทองดีกว่าเกา่านี่คือประโยชน์ของการทาบุญทาทานเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ แล้วก็เป็นสบียงสำหรับเอาติด ต, ตัวไปแล้วก็เป็นเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารของพพหน้าชาติหน้าเวลากลับมาเกิดจะได้มีเงินทองรอเราลับรอต้อนรับเรา อ, อยู่เหมือนกับพระเวชสันดรนะท่านทาบุญทาทานเป็นนิสัย ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองต่างๆโดยไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยกลับมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทําบุญทําทานพอรู้ว่าก็ได้กําลังได้รับประทานอาหารของใจนั้นเองได้สะสมสเบียงเวลาตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ และเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่คืออา น, นิสงส์ของการทําบุญทําทานไม่ว่าจะใครก็ตามไม่เลือกว่าจะต้องเป็นพระเวชสันดรเท่านั้นถึงจะมารับอา น, นิสงส์แบบนี้ได้ถ้าใครทําบุญแบบพระเวชสันดร ก็จะได้รับอ น, นิสงส์เหมือนกับพระเวชสันดรตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์กลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์หรือลูกของมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลยสงสัยเพราะนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะความจริงที่ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ทำบุญแล้วก็จะได้ ความสุขได้ความเจริญเพียงอย่างเดียว น, นี่คือปัจจัย4ข้อที่หนึ่งของจิตใจที่เป็นอาหารของจิตใจก็คือการทาบุญทำทา น, น, นปัจจัยสข้อที่สองของจิตใจก็คือเครื่องนุ่งห่มของจิตใจอะไรคือเครื่องนุ่งห่มของจิตใจ เครื่องนึ่งหอมของจิตใจก็คือศีลธรรมนี่เองคือการไม่กระทาบาปห้าประการด้วยกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆถ้ามีศีลแล้วก็เหมือนกับมีเสื้อผ้าอภรอตร่างกายก็ต้องมีเสื้อผ้าอภรรตไว้สวมใส่ เสื้อผ้าพรนี้มีไว้ทาไมก็มีไว้หนึ่งปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้มีภัยมาทำให้ร่างกายเก็บไข้ได้ป่วยเสื้อผ้าก็มีหลายชนิดด้วยกันเสื้อผ้าปกติก็ใส่เพื่อการอากาศหนาวเย็ยนบ้างการภัยจากมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่พวกเราสวมใส่กันเป็นปกติ แต่ในเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อาจจะต้องมีเสื้อผ้าพิเศษอย่างเช่นมีโรคระบาดถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีเสื้อผ้าป้องกันโรคภัยถ้ามีไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องมีชุดดับเพลิงไว้สวมใส่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องลงไปในน้ําเพื่อไปดับงมมหาลัยก็ต้องมีชุดบาดาลให้ เจ้าหน้าที่ไว้สวมใส่นี่คือเสื้อผ้าอภรณ์มีไว้เพื่อปกป้องภัยต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายนี่เป็นห น, หน้าที่ของเสื้อผ้าอา่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เป็นเ ส, เสื้อหน้าที่ของเสื้อผ้าภรอ์ก็คือมาเสริมสวยความงามของร่างกายนี้ เ, เวลาเราจะไปไหนมาไหนนี้เรา ต้องเลือกเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่กันเราจะไม่ใส่ชุดนอนออกไปนอกบ้านเราจะไม่ใส่ชุดที่เราใส่อยู่ในบ้านสบายๆชุดที่สบายแต่เวลาออกไปนอกบ้านแล้วมันดูแล้วดูไม่มีศักดิ์ศรีดูเหมือนเป็นคนธรรมดาใ่ไหมถ้าเป็นข้าราชการเป็นนายพลนายพัน เวลาได้แต่งชุดในพลในพันนี้จะรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีกว่าเวลาใส่ชุดชาวบ้านธรรมดานี่ก็เป็นการเสริมความสวยความงามความสง่าราศีของผู้ใสนั่นเองฉันใดเสื้อผ้าอาพรของจิตใจก็เป็นอย่างนั้นสีนห้าที่เรามีกันนี้จะเป็น เหมือนกับเสื้อชุดที่ป้องกันภัยภัยที่จะมากระทบกระเทือนกับจิตใจนี่ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งสัตว์เดรัจฉานสองเปรดสามอสุลกายสี่นรกถ้าเรามีเสื้อผ้าคือสีห้าไว้สวมใส่ ใจของพวกเราก็จะไม่ถูกสัตวเดรัจฉานมาคุกคามไม่ถูกเปรตมาคุกคามไม่ถูกอาสุรกายมาทุกข์คามคุกคามไม่ถูกจับไปขังไว้ในนรกเนี่ยเพราะเรามีชุดพิเศษคือศีลห้านี้ไว้ป้องกันนั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเวลาที่ร่างกายเราตายไปใจของพวกเรานี้จะกลายไปเป็นสัต ชนิดใดชนิดหนึ่งในอาบายขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทำบาปของเราถ้าเราทำบาปด้วยความหงงใจของเราก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเร า, าก็จะต้องไปเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นเอาศรกายถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมเราก็จะไปนรกแต่ถ้าเราถือศีลห้าเราก็จะไม่มีการกระทำบาปอย่างแน่นอนและการที่จะทำให้เราไม่ทำบาปก็คือเราต้องละเว้นอบายามุกด้วยอบายามุกก็มีอยู่หข้อด้วยกันคือ 1. การดื่มสุร่ายามา2การเล่นการพนัน 3. การเที่ยวเตร สี่ความเกียดคร้านและห้าการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเนพราะถ้าเราไปชอบเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันกันเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเขาชอบความเกียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดคร้านเนีย เมื่อเราไปเสพประบายอมุกเราก็จะมีแต่สูญเสียเงินทองไม่มีรายได้จากการเสพประบายามุกพอเงินทองเราล่อยด๋อไม่พอใช้เราไม่มีงานทำหรึอเรมไม่สามารถไปหาเงินจากการทำมาหากินได้เราก็ต้องไปหาด้วยการทาบาปไปช่อโกงไปหลอกลวงไปลักขโมย แล้ถ้าไปป้นไปจี้ก็ จ, จะมีการฆ่ากันตามมาแต่ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขเราก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะเราจะไปทำงานมีเงินรายได้แล้วเราก็ไม่สูญเสียรายได้ไปกับอบายามุขมีเอาไว้สำหรับมาเลี้ยงดูร่างกายของเราซื้อสิ่งที่จำเป็นคือ ปัจจัยสี่ของร่างกายเราก็จะสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติได้ไม่ต้องทำบาปทำกรรมและยังทำให้เรามีเงินมาทำบุญทำทานได้ด้วยนี่คือเสื้อผ้าอภรรของจิตใจลันอันดับแรกก็มีไว้เพื่อป้องกันภัยที่จะมากระทบกับจิตใจ ผู้ที่รักษาศีหน้าเป็นนิจสินได้รับประกรันได้ว่าตายไปนี้จะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนหรือถ้าทําบ้างก็อย่าให้มันมากกว่าบุญที่เราทําเำขอให้ทําบุญไว้ให้มากๆกว่าบาปเพราะบางครั้งบางเวลาเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็อาจจะลุกแก่โทสะโมหะหรือโลภะทําให้เรายับยั้ง การกระทำบาปไม่ได้เป็นบางครั้งบางเวลาก็ขอให้มันเป็นกรณียกเว้นก็แล้วกันอย่าให้มันเป็นนิจจะให้มันเป็นนิสัยบางทีโกรธมากก็อาจจะไปทุบตีไปทําอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายบ้างแ <c oughs> ก็ขอให้เราชดใช้ด้วยการทาบุญให้มากๆไว้เพราะว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป บุญกับบาปที่เราได้ทำได้สะสมไว้ในใจของเราจะเป็นผู้มาดึงจิตใจให้ไปในทิศทางของฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสุคติก่อนและพอบุญหมดกำลังบุญลดมาเท่าบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจะไปอาบายก็ต่อเมื่อบาปมีมากกว่าบุญเท่านั้น ถ้าบาบใดเราพยายามทำบุญให้เป็นนิสัยแล้วทำบุญให้มากกว่าบาปโอกาสที่เราจะไปเกิดในอบายนี้ก็ยังไม่มีเกิดขึ้นเพราะบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะคอยดึงใจให้ไปรับผลบุญก่อนเสมอนี่คือหน้าที่ของศีลป้องกันภัยให้กับจิตใจ นอกจากป้องกันภัยแล้วก็เหมือนกับเสื้อผ้าผ่อนของร่างกายเสริมสวยความสวยความงามของใจใจของผู้ที่มีศีล น, นี้จะเป็นใจที่น่ารักมีคนชอบมีคนชอบคบค้าสมาคมชอบอยู่ใกล้ชิดเพราะมีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกสบายใจเวลาที่อยู่กับคนมีศีล ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ฆ่าเขาไม่รักทรัพย์ของเราเขาไม่ประพฤติผิดประเวณีมายุ่งกับสามีภรรยาของเราหรือลูกของเราเขาไม่มารักไม่มาโกหกหลอกลวงเราเขาไม่เสพตุวยายาวเมาเราอยู่ใกล้เขาแล้วเราจะรู้มีความรู้สึกปลอดภัยเราจะรักจะชอบคนที่มีศีลในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลนี้ก็จะกลายเป็นคนน่ารังเกียจไปไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่ฆ่าพอถ้ารู้ว่าคนนี้เคยฆ่าคนมานี่เราจะระวางตัวละไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเขาจะคิดอย่างไรกับเราเขาอาจจะโกรธเราหรือไม่ชอบเราขึ้นมาเขาก็อาจจะคิดฆ่าเราได้น เขาไม่ถ้าเขาเคยรักทรัพย์เราก็ต้องระวังนะเดี๋ยวถ้าเราเผลอเขาก็จะมาลักทรัพย์ของเราไปถ้าเขาเคยประพฤติผิดประเวณีมาเราก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเขาจะมายุ่งกับแฟนเราหรือเปล่าถ้าเขาโกหกหลอกลวงเราก็ต้องกังวลแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริงถ้าก็ดื่มรุราเราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้คนดื่มสุรานลา ดื่มสุราแล้วก็เป็นคนมึนเมาไปเป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายนี่คือความแตกต่างระหว่างการมีศีลและไม่มีศีลผู้ที่ไม่มีศีลก็จะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามไม่สวมใส่ไม่มีชุดป้องกันภัยต่างๆเวลาเกิดภัยต่างๆขึ้นมา ก็จะถูกภัยเหล่านั้นเข้ามาคุกคามได้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราปลอดภยัยจากภายัยคืออบายและอยากให้ใจของเราเป็นใจที่น่ารักใจที่สวยงามก็ขอให้เรามามีเสื้อผ้อาอภรรของใจกันคือมามีศีลกันมารักษาศีลศีลห้า นี่คือเป็นเสื้อผ้าผ่ อ, าอของใจส่วนข้อที่สามปัจจัยสี่ข้อที่สามของใจก็คือที่อยู่อาศัยร่างกายต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะเพื่ออะไรเพื่อหลบภัยทางธรรมชาติหลบแดดหลบฝนหลบพายุต่างๆและหลบภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆถ้า ไม่มีบ้านอยู่อยู่ตามป่าตามสวนตามไรก็อาจจะต้องเจอเจองูเจอสัตว์ชนิด ต, ต่างๆได้เวลาฝนตกนดออกก็จะไม่มีที่หลบฝนหลบแดเราจึงต้องมีที่อยู่อาศัยกันต้องมีบ้านชั้นใดใจก็ต้องมีบ้านไว้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะใจที่ไม่มีบ้านก็จะเจอกับภัยต่างๆ ทางตาหูจมูกร่นงกายเวลาออกมาข้างนอกมาเจอคนนั้นคนจี้มาได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าพอเราถ้าเรามีบ้านพอเรามีภัยเกิดขึ้นกับใจเราก็ดึงใจกลับเข้าบ้านได้ เหมือนกับเวลามีภัยทางธรรมชาติพอรู้ว่าจะมีฝนตกมีพายุมาเราก็เตรียมตัวเข้าบ้านกันพอพายุมาเราก็ปลอดภัยพอเวลาอยู่ในบ้านพายุฝนไม่สามารถเข้ามาทำมาลบกวนเราได้บ้านของใจคืออะไรบ้านของใจก็คือสมาธิหรือความสงบนี่เอง นี่ทำไมเราต้องมาฝึกสมาธิกันก็เพราะว่าเราต้องการที่อยู่อาศัยให้กับใจตอนนี้พวกเราที่ไม่มีสมาธิเป็นเหมือนพวกคนนอนก็นอนข้างถนนนอนใต้สะพานเป็นคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยก็ดูไปลองไปถามคนที่นอนข้างถนนดูนอนตามใต้สะพานดูว่าสุขสบายไหมเปรียบเทียบกับคนที่มีบ้านอยู่ อย่างไหนจะสบายกว่ากันฉะนันใดคนที่มีสมาธิกับคนไม่มีสมาธิก็เป็นแบบนั้นคนที่มีสมาธินี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่มีบ้านอยู่อาศัยเวลาใจมีภัยมาคุกคามมีเรื่องมีราวทำให้วุ่นวายใจทำให้ไม่สบายใจทำให้เดือดร้อนใจทำให้วิตกกังวลหวาดกลัวถ้าเข้าสมาธิได้ พอเข้าไปในสมาธิแล้วภัยต่างๆที่อยู่ข้างนอกก็จะไม่ตามเข้าไปในใจไม่เข้าไปในสมาธิสมาธิเป็นที่ปลอดภัยไม่มีภัยต่างๆเป็นที่สงบเราต้องฝึกทำสมาธิกันถ้าเราอยากจะมีที่อยู่อาศัยของใจเพราะเรามีเรื่องราวมากมายทางด้านจิตใจที่มาสร้าง ควาวิตกสร้างความกังวลสร้างความเครียดสร้างความแค้นสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราอยู่แทบตลอดเวลาจนถึงกับบางเวลาถึงกับนอนไม่หลับถึงเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนภัยต่างๆก็ยังไม่หยุดคุกคามยังเข้ามาลบกวนอยู่ในใจตลอดเวลา พราะเราไม่มีที่หลบภัยไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะหลบภัยเวลามีความไม่สบายใจเวลาโกรธใครเวลาเสียใจกับเรื่องอะไรเวล า, าวิตกกังวลกับใครกับเรื่องอะไรเราสามารถที่จะหลบจากภัยเหล่านี้ได้อด้วยการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในบ้านของเรา การที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีการสร้างบ้านกันสร้างสมาธิกันเหมือนกับบ้านถ้าเราอยากจะมีบ้านเราก็ต้องหาเงินหาทองมาซื้อบ้านหรือถ้าเรามีความสามารถจะสร้างบ้านเองได้เราก็ต้องไปหาวัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยของเราได้ เพราะบ้านมันไม่ได้อยู่เฉยๆเกิดขึ้นมาเองตามความอยากของเราอยากได้บ้านแล้วบ้านมันก็จะมาเองฉันใดอยากจะได้สมาธิบ้านของใจก็ต้องสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆจะรอให้มันโผล่ขึ้นมาเองสมาธินี้ไม่มีวันโผล่ขึ้นมาในใจของเราเองถ้าเราอยากจะให้มีสมาธิมีบ้านเราต้องสร้างเราต้องทำกัน เหมือนกับเสื้อผ้าพอเราก็ต <t waste écrit> ้องสร้างต้องทากันเหมือนกับอาหารเราก็ต้องสร้างต้องทากันคือบุญอาหารของใจเราก็ต้องทําบุญอาหารเสื้อผ้าของใจเราก็ต้องรักษาศีลบ้านของใจก็คือสมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิกัน การจะฝึกสมาธิก็ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเรารู้จักวิธีธรำเนะีเบื้องต้นเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้ผู้ที่จะรู้วิธีที่จะทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาต้องไปศึกษากับผู้รู้จริงๆนะีถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้จะได้เรียนรู้วิธีสร้างสมาธิขึ้นมาได้อย่างถูกต้องและจะ ทำให้ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไปเรียนกับผู้ที่ไม่รู้หรือผู้ที่ยังสร้างสมาธิขึ้นมาเองไม่ได้ก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องนดังนั้นควรจะหาความรู้จากพระพุทธเจ้าคือคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือเรียนจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านจะสอนวิธีฝึกสมาธิสอนให้เราจะเอนสติในเบื้องต้นเพราะก่อนที่จะทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องมีสติเป็นเหมือนอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเป็นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนการจะสร้างบ้านสร้างเรือนช่างก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมีจอบมีเสียมมีขวานมีเลื่อยมีไม้มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มาสร้างบ้านการจะมาสร้างสมาธิเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติเครื่องมือที่จะมาสร้างให้มีสติก็คือกรรมฐานการจะมีสติได้ต้องอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องมืออีกทีหนึ่งก่อนจะมีสติก็ต้องมีกรรมฐานก่อนต้องไปหากรรมฐานที่เหมาะกับเรากรรมฐานที่เหมาะกับพวกเรา ผู้เริ่มตอนนี้ก็คือทำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นวิธีที่ง่ายที่ไม่ต้องไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาที่บ่ายให้เสียเวลามากให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธหรือถ้าพุทโธไม่ได้ก็ให้สวดอิติปิโสไปก่อนสวดมนต์ไปก่อ น, น, น, อนภายในใจการเจริญสตินี้จาเป็นที่ต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ เฉพาะเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเท่านั้นต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งต้องฝึกสติอยู่ทั้งวันเพราะเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนี้เราสามารถใช้พุทโธได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวไปทำงานไปทำธุระอะไรต่างๆช่วงนั้นเราก็พุทโธพุทโธไปได้ หรือถ้าพุโทโธไม่ได้จะสวดอิติปิโสไปก็ได้แทนกันได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความพอใจความถนัดถ้าไม่ถนัดพุโทโธก็ถนัดอิติปิโสก็สวดอิติปิโสแต่วควรสวดไปภายในใจเพราะถ้าไปออกเสียงแล้วอาจจะฟังแล้วผู้อื่นฟังแล้วอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ให้ความเข้ารบ เรารูปแบบของการสวดมนต์ที่คนรู้จักกันนี้ต้องอยู่ในท่าสำรวมอยู่ในท่าเรียบร้อยคือนั่งพัพเพียบพนมมือถึงจะสวดมนต์กันแต่ถ้าเอามาใช้เป็นกรรมฐานนี้แล้วถ้าเราจเจริญอยู่ในใจนี้เราสามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่เอามาใช้ควบคุมความคิดของเรา ความคิดของเราลดความคิดของเราทำใจของเราที่ร้อนให้เย็นลงได้ด้วยการสวดมนต์ด้วยการบเลีกรรมพุทโธพุทโธไปพอเรามีสติที่จะควบคุมความคิดได้มีสติให้อยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมนต์ได้เวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็จะสามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ ให้เราคิดอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไม่ได้ดูด้วยตาดูด้วยใจดูด้วยการสัมผัสรับรู้เพราะเวลาเราหายใจเข้าเราจะรู้ทางใจว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าตอนนี้ลมกําลังออกให้เฝ้าดูอยู่ตรง ปลายจมูกหรือจุดที่ลมสัมผัสกับร่างกายคือแถวบริเวณปลายจมูกหรือเนื้อหรือบริเวณเนื้ อ, อลิมฝีปากขึ้นมาจะอยู่แถวนั้นก็ให้จ่ออยู่แถวนั้นอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนะถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหรื อ, อยู่กับพุโทโธได้ไม่ปล่อยให้ไปตามความคิดต่างๆได้ แล้วความคิดก็จะหายไปหยุดไปแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบเวลานิ่งสงบนี้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงก็ได้ตกวูบลงมาแล้วใจก็จะหยุดจะเย็นจะสบายจะไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นเพราะไม่มีอะไรจะต้องให้ทํามีแต่เพียงแต่มีสติให้รู้อยู่กับความสงบนั้นเท่านั้น อย่าปล่อยให้ความคิดดึงใจให้ออกจากสมาธิพยายามหยุดความคิดไว้พยายามให้อยู่ในสมาธิไปนานๆเพราะนี่คือการเข้าไปอยู่ในบ้านต้องฝึกให้อยู่นานๆและต้องฝึกให้เข้าไปอยู่บ่อยๆฝึกให้ชำนาญเพราะเวลาที่เราต้องการจะใช้สมาธินี้เราไม่รู้จะเป็นเวลาใด เ, เวลาที่ใจเราวุ่นวายเวลาที่ใจเราเครียดมากๆ กังวลมากๆวิตกมากๆถึงกับจะคิดฆ่าตัวตายเวลานั้ น, นต้องรีบเข้าสมาธิให้ได้พอถ้าเข้าสมาธิได้แล้วความคิดต่างๆเหล่านั้นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะหายไปแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาใจก็ยังเย็นสบายแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์เดิมอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายใจใหม่ขึ้นมาได้ เพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกาจัดความวุ่นวายใจได้เพียงแต่หลบความวุ่นวายใจได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิพอออกมาสัมผัสม า, มาพบกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็กลับมาวุ่นวายได้อีกการที่ความวุ่นวายใจของใจนี้ถือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บของใจ ถ้าใช้สมาธิรักษาให้หายไม่ได้ก็ต้องใช้ยารักษาโรคใจายาที่จะมารักษาโรคใจคือความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกกังวลความไม่สบายใจนี้ต้องรักษาด้วยปัญญ า, าสมาธินี้เป็นเพียงแต่ที่หลบหลบภัยหลบความวุ่นวายใจหลบโรคภัยไข้เจ็บของใจแต่พอออกจากสมาธิมา พอมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆโครคภัยไข้เจ็บที่ที่เคยมีอยู่มันก็จะกลับขึ้นมาใหม่จะทุกข์กับคนนั้นจะทุกข์กับเรื่องนี้จะวิตกกังวลกับคนนั้นจะห่วงคนนี้จะกังวลกับร่างกายของเราร่างกายของเราเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้มีเรื่องราวที่จะทำให้เราทุกข์กังวลใจยอยู่มากมาย ทั้งเรื่องร่างกายของเราเรื่องของคนอื่นเรื่องของการเงินการทองของเราเรื่องของการงานของเราเราจะมีงานทำหรือไม่ตอนนี้จะถูกปลดออกจากงานหรือไม่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจตก ต, กต่ากิจการต่างต่างต้องปิดลงเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือเหตุการณ์ที่จะมาสร้างความวุ่นวายใจ ถ้าเราต้องการที่จะรักษาความวุ่นวายใจเหล่านี้ให้มันหายไปจากใจเราต้องใช้ยาของใจยาของใจก็คือปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งนั่นเองความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุก็คือ เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีเกิดได้ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครมาควบคุมบังคับมาห้ามมันไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเจริญไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับได้ถ้าไปอยากให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมพอมันเกิดการเสื่อมมันก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการให้มันเกิดพอมันเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ผู้ที่ไม่ต้องการจะมีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆก็ต้องอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดหรือเกิดไม่เจริญหรือไม่เสื่อมมันจะเจริญก็ให้รู้ว่ามันเจริญก็ให้รู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมีการเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมอย่าไปยึดติดกับการเจริญเวลามันเจริญพอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมามันจะกลับตัวไม่ทัน ให้อยู่เฉยๆเป็นกลางให้สักแต่ว่าราอยู่กับมันไปเจริญก็ดีแต่เวลาเสื่อมก็ต้องดีด้วยเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดหรือการดับของสิ่งต่างๆการที่เราจะอยู่ได้เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางคือเราต้องไม่อยากไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราความอยากของเราเกิดจากความหลงของเรา ก็จากความหลงที่คิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นของเราเราต้องมาแก้ความหลงด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้นับตั้งแต่ร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ได้เป็นของเราบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ได้เป็นของเรา ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องมีการจากเราไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายไม่อยากจะไปทุกข์กับเขาเราก็ต้องปล่อยวางอยู่กับเขาได้แต่ก็ ต้องยินดีให้เขาจากเราไปเมื่อถึงเวลาเขาจะจากเราไปเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากเขาไปเราก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมตามกฎของธรรมชาติกฎของอนิจจังทุกขงังอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถ้าวรไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดอยู่คำฟ้าได้ ในโลกนี้ของที่เป็นสมมุตินี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่ค้ำฟ้าสิ่งที่อยู่จะอยู่ค้ำฟ้ามีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือใจของเราเองแล้วการที่จะทำให้ใจของเราอยู่แบบสุขอยู่แบบสบายก็คือเราต้องรู้จักปล่อยวางต้องอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นของเราให้คิดว่าเป็นของอยืมมาชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องคืนจ้าของไป ของต่าง ๆ, ๆที่เราได้มานี้ทำมาจากาธาตุัรงนั้นทำมาจากดินน้ำํำนมไฟแล้วถึงเวล า, าธาตุเขาก็จะขอคืนไปร่างกายของเราต่อไปก็จะกลับคืนสู่าธาตุสีกลับคืนสู่ดินสู่น้ําสู่ลมสู่ไฟไปไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้อถ้าไปยึดไปถือว่าเป็นของเรา พอถึงเวลาจะสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลต่างๆขึ้นมาแต่ถ้ารู้แหวนงหน้าว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวพร้อมที่จะให้เขาคืนไปคืนกับคืนเจ้าของไปเมื่อถึงเวลาเขาอยากจะกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟก็ต้องปล่อยเขาไปถ้ารู้จักปล่อยด้วยปัญญาะ ใจก็จะไม่เครียดใจก็จะเฉยใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของใจไม่ว่าจะพอจะไปยึดกับเรื่องใดปับ๊บก็ปัญญาก็จะมาบอกห้ามยึดต้องปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับถ้ายังไม่เกิดยังไม่ดับก็ให้รู้ว่ามันยังไม่เกิดไม่ดับถ้ามันเกิดแล้วก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องดับ ไม่มีอะไรที่เกิดไม่เกิดมาแล้วไม่ดับนะให้คิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสบายจะไม่มีความทุกข์กังวลใจต่างๆไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความอาลัยอาวรณ์ไม่มีความเหงาไม่มีความเศร้าไม่มีความว้าเหวเพราะใจไม่ยึดกับอะไรใจสามารถอยู่บน บนเท้าของตนเองได้ยืนบนฝ่าเท้าของตนเองได้ใจมี ท, ที่ที่พึ่งคือปัญญาที่สอนให้ใจปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วใจจะเป็นอิสระใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มาคอยบีบคั้นใจให้ต้องไปหาที่พึ่งต่างๆ ซึ่งที่พึ่งต่างๆที่ใจไปหาเพื่อดับความทุกข์ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ที่ที่พึ่งที่แท้จริงของใจนี้ก็คือปัญญานี่เองคือความรู้ในใตายลักรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากเกิดจากความหลงของใจที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเท่านั้นเอง เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของใจใหม่แทนที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาขอให้เปลี่ยนมาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้พอปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่ห่วงใยไม่เดือดร้อนกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆที่จะตามมาต่อไปน ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาเพื่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะเป็นใจที่วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ หุดพ้นจากการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถสร้างปัจเจกปัจจัยสี่เข้ามาดูแลรักษาใจของเราได้คือสร้างบุญสร้างสร้างบุญทำบุญทำทานสร้างศีลสร้างสมาธิและสร้างปัญญาใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ ร่างกายที่มีปัจจัยสี่ครบก็จะอยู่อย่างสุขสบายนี่คือเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริกวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจ an ิตังปฏทิตังต um ุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณชติีราโสยถาสัพภิติโยวิวาจานโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภวาธานาสศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตาโรโธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกก็อต้องทำอะไรต่ออีกดังนั้นถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กลาบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟ e บุ๊กมีห้าอห้าสิบ็ท่านค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยแปดสิห้าท่าน วิทยุออนไลน์5ท่าน mm hmm. ผู้รับฟังบนข่า195ท่านรวมทั้งหมดมี942ท่านเจ้าค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามคถามฝากถามค่ะคำถามแรกอานิสง์ของการฟังธรรมและถวายสังฆทานจะมีอานิสงค์อย่างไรครับ การถวายสังฆทานก็เป็นเหมือนกับใ ห, ให้อาหารใจเป็นการทำบุญจะทำให้มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็เป็นเสเบียงเวลาออกเดินทางจากโลกนี้ไปส่วนการฟังธรรมนี้จะได้ความรู้คือได้ปัญญาอานิสงส์ของการฟังธรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองธรรมที่เคยได้ยินแล้วเมื่อได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ 3. จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทําให้มีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาห้าจะทําให้จิตสงบผ่องใสมีความสุข นี่คืออา น, นิสงส์ของการฟังธรรมต่างจากอา น, นิสงส์ของการถวายสังฆทาน คำถามอีกคำถามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าดิฉันใช้เวลาออกกําลังกายด้วยการเดินระหว่างเดินฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปด้วยโดยกําหนดจิตใจให้อยู่กับเสียงธรรมตลอดไม่ให้ใจไปคิดอะไรให้รู้กับเสียงธรรมตลอดการเดินถือเป็นการเจริญสติเหมือนการเดินจงกรมไหมคะเหมือนกันก็เรียกว่าธรมมานุสติ คือเป็นวิธีการไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆธรรมดาใจเราชอบคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่สงบพอเรามาฟังธรรมหรือมาพุทโธหรือมาดูการก้าวเท้ามันก็ทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้คุณหมอค็อมีคำถามอย่ากจะถามอะ้รยัง <ขอ S 1> ส่ ง, สงมาไปก่อนนะ ครับหลวงพ่อเจ้าค่ะของของที่หนูทําอยู่ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วเจ้าค่ะก็คือใช้วิธีเดินลมแบบหลวงท่านพ่อดีเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็สงบอยู่ในกายได้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะแล้วพอพอเริ่มปวดขาก็จะเริ่มเริ่มไม่สงบแล้วก็ขึ้นมาพินาดูดูขาแต่มันก็ยังแยกไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยเรียนถามหลวงพ่อว่าเราเร า, เราเป็นเพราะว่าสติของเรามันยังอ่อนมากอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ปัญญาความเข้าใจของเราเราเป็นหมอเราควรจะรู้ว่ากระดูกนี่มันก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนเฟินเวลาเอากระดูกไปต้มในหม้อมันไม่รู้สึกจะเดือดร้อนเพราะมันไม่มีความรู้ในตัวของมันเองมันไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บไอตัวรู้นี่ไม่ได้เป็นตัวกระดูก แต่ไปเจ็บแทนไปเดือดร้อนแทนตัวที่เจ็บคือกระดูกใช่กระดูกมันเจ็บแต่กระดูกมันไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่รู้ว่ามันเจ็บส่วนผู้ที่รู้ว่ามันเจ็บคือใจไปเดือดร้อนแทนกระดูกเพราะความไม่อยากให้มันเจ็บความไม่ชอบความเจ็บของใจจึงทำให้ใจเกิดความรังเกียจเกิดตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาที่สร้างความ ทรมานใจที่เรานั่งไม่ได้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าความเจ็บของกระดูกแต่เพราะความทรมานใจที่เกิดจากความอยากของใจไม่ให้ความเจ็บเกิดขึ้นเท่านั้นเองอยงนั้นถ้าเรามาสอนใจว่ากระดูกเขาไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นกระดูกเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรามีหน้าที่รู้เฉยๆก็รู้ไปสิ เราอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายเท่านั้นเราอย่าไปรังเกียจความเจ็บอย่าไปไม่ชอบความเจ็บเราต้องหัดฝืนใจหัดชอบในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วพอใจเราไม่ต่อต้านไม่มีความอยากให้มันหายไปเราก็จะอยู่กับความเจ็บนั้นได้ อันนี้คือหลักของการพิจารณาปัญญาต้องแยกหน้าที่ของสามส่วนด้วยกันนะแยกหน้าที่ของกระดูกหรือร่างกายว่าเป็นเหมือนโตะ๊ะเหมือนเก้าอี้มันไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บส่วนเวทนาความเจ็บมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็แสดงหน้าที่ของมัน ผู้รู้ก็คือใจคือเราเราก็ไม่รู้เฉยๆเราดันไปอยากให้มันหายเจ็บพอไม่หายเจ็บมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาในใจจนเราทนนั่งต่อไปไม่ได้ที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายเพราะความเจ็บของใจที่ไปสร้างความอยากขึ้นมาอยากให้ความเจ็บหายไป เฉ็นต้องมาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปให้ปล่อยวางความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปวิธีที่เราจะอยู่กับความเจ็บได้ก็คือต้องใช้สติมาช่วยหยุดความอยาก ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปปล่อยให้ความเจ็บมันอยู่กับกระดูกไปอย่าให้เอาใจดึงเอาความเจ็บเข้ามาในร่างเข้ามาในใจด้วยการใช้พุทโธพอใช้พุทโธพุทโธความคิดปุงแต่งที่อยากจะให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดทางานแล้วใจก็จะนิ่งแล้วก็สามารถอยู่กับความเจ็บต่อไปได้ ต้องทำอย่างนั้นต้องแยกกายแยกเวทนาแยกจิตสามตัวนี้ให้ต่างฝ่ายตามาทำหน้าที่ของมันกายมีหน้าที่นั่งเฉยๆก็ให้มันนั่งไปเวทนามีหน้าที่แสดงความเจ็บก็ให้มันแสดงไปใจผู้ดูก็ให้มีหน้าที่ดูไปอย่าไปอยาก ปัญหาอยู่ที่ความอยากของใจอยากให้ความเจ็บหายไปอยากจะขยับร่างกายมันก็เลยทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาทำให้ทนนั่งไม่ได้ยังต้องหยุดความอยากนี่ด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอใจหยุดคิดหยุดอยากแล้วมันก็เฉยแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของกระดูกนั้นได้ ใชาะหลวงพ่อแล้วแล้วที่เขาบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช้ปัญญาแยกแยกแยกกายเวทนาจิตออกจากกันแส่งว่าเวลานั่งนี่คือใช้ปัญญาสลับกับการใช้บริกรรมที่ทำบริกรรมไม่ไหวก็ต้องใช้ปัญญามาสอนแล้วก็เอากับบริกรรมการบริกรรมมาช่วยแต่ต้องรู้ว่าใช้บริกรรมเพราะอะไรใช้เพราะว่าเราต้องการหยุดความอยากหยุดสังขารความคิดปรุงแต่ง ที่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปอ๋อระหว่างที่เรานั่งเราต้องใช้ใช้อุบายทั้งสองแบบช่วยกันเพื่อให้เราสู่ความสงบงใช่ให้เราหยุดความอยากอย่าไปอยากให้มันอย่าไปอยากหนีจากความเจ็บโดยอย่าไปอยากให้ความเจ็บหนีจากเราไปปล่อยให้มันอยู่ขมันไปแล้วค่ะเราก็ต้องพยายามฝืนให้ให้มากนานที่สุดมากที่สุดเท่าที่กําลังเราจะได้ก็อยู่ที่สติไงถ้าเราพุทโธไปได้เรื่อยๆมันก็จะอยู่กับมันได้พอเราพุทโธพุทโธความอยากให้มันหายมันก็ ไม่หยุดทํางานความเครียดก็หายไปความทุกข์ในใจก็หายไปก็อยู่กับมันได้แล้วค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเรานั่งสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งแล้วจิตเราสบายสงบเบาแล้วเจ้าค่ะคราวนี้เราก็อยากจิตเราก็อยากอยากจะมาหัดพิจารณาอย่างเข้าบ้างก็คือว่าการสามสิบสองเจ้าค่ะ ควรจะรอให้จิตออกจากสมาธิก่อนเวลาอยู่ในสมาธิควรอย่าให้มันนิ่งไปนานๆมันจะได้เป็นเหมือนการชาติแบบชาติอุเบกขาให้มีอยู่ในใจนานๆอย่าพึ่งไปกังวลเกี่ยับเรื่องการพิจารณาพิจารณานี้พิจนารณานได้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วหลังจากที่มันไม่นิ่งไม่สงบแล้วทีนี้ก็พิจารณาการสามสิบสองไปได้ก็คือค่อยๆไล่ทีละ อาการไปใช่ไม่เจ้าคะ่ะก็แล้วแต่ปัญญาของเราถ้ายังไม่รู้ก็ไล่ชื่อไปก่อนผมขนเล็บฟันให้ครบสามสิบสองทั้งอนุโลมปฏิโลมท่องไปทางด้านหน้าแล้วท่องถอยหลังกลับมาค่ะพอจำได้แล้วก็นึกถึงอาการนึกภาพของมันว่าผมอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นการ ทำการบ้านเป็นการศึกษาก่อนในเบื้องตน้นอันนี้ไล่ได้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็พี่นามครบแล้วเจ้าค่ะก็ะวสวยงามไม่สวยงามเจ้าค่ะเราสามารถใช้นี่อาการสามสองนี่มาล้า ง, งับกนามารมณ์ได้เพราะกำหามารมณ์เกิดจากการไปเห็นส่วนที่สวยงามคือส่วนนอกเห็นผิวหนังเห็นผมเห็นอะไรก็เกิดความรักความชอบ แต่พอเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นกระดูเห็นอะไรความรักความชอบก็จะหยุดไปอ๋ออันนี้คือเป็นปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสในในที่เราเจอกามารมเจ้าค่ ะ, ะแล้วที่บอกว่าเอาอาการหนึ่งในสามสิบสองนั้นมาพิณาจนจิตสงบเข้าสู่สมาธินี้อันนี้เป็นเป็นสติ เป็นการเพ่งเฉยๆการดูออเป็นเหมนดูลมหายใจเจ้าค่ะคืออะไรก็ได้ดูอาการเช่นบางคนดูกระดูกเพ่งดูกระดูกเพื่อไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเพราะจิตไม่ปรุงแต่งจิตก็สงบเป็นสมาธิอ๋อก็คือให้ฝึกแบบนี้ไปบ่อยๆเจาา้าค่ะแล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนเราก็ฝึกไปได้ อ, อแล้วถ้าสมมติว่าอย่างอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะคือสมมติว่าเราผ่านการกีดเลยไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทํำต่อ ต่อไปคือคื อ, อยังไงต่อเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อก็ต้องดูเกเดตตัวอื่นที่ยังมีอยู่เพราะนอกจากการแล้วมันก็จะไปพอมันพ้นเรื่องการไปได้มันก็จะไปหาความสุขจากสมาธิแทนออมันก็จะไปติดสมาธิเจคะ่ะก็ต้องสอนว่าสมาธิก็ไม่เที่ยง เวลาไม่ได้เข้าสมาธิใจก็จะหมดกิจลำคาญได้ต้องหัดอยู่แบบไม่ต้องเข้าสมาธิคืออย่าไปติดสมาธิแต่ตอนต้นเพิ่งต้องเพึ่งสมาธิเพื่อไปแก้เรื่องกามก่อนพอแก้เรื่องกามได้แล้วก็ต้องปล่อยสมาธิสมาธิเป็นเหมือนเครื่องมือถ้าไปติดสมาธิก็มันก็ยังทำให้เรายังต้องมาทุก พะเวลาสมาธิมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ไม่มีเราต้องหัดอยู่แบบไม่ต้องเข้าสมาธิหัดอยู่แบบหยุดความอยาก ตัวที่ทำให้เราไม่สุขก็คือความอยากอยากเข้าสมาธิพอไม่ได้เข้ามันก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็ต้องหยุดความอยากนี้ไม่ต้องเข้าด้วยเห็นด้วยปัญญาว่าถ้าเข้าไปก็จะติดสมาธิอพอเลิกติดสมาธิได้ก็ไม่เข้าสมาธิก็จะไม่รู้สึกหงุดเงิดแต่อย่างใดเห<ะ>มือนคนที่ติดบุหรี่พอเห็นโทษของการสูบบุหรี่ว่าถ้าสูบก็ต้องติดอยู่ไเรื่อย ถ้าเลิกสูบได้ปั๊บเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ความติดบุหรี่มันก็จะหายไปต่อไปก็ไม่ต้องใช้บุหรี่มาทํามาระงับความหงุดหงิดนะเจ้าค่ะถ้าเราถ้าเราอยู่โดยชีวิตประจําวันด้วยความสงบแล้วเนี่ยจนชํานาญแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้อง เข้ า, มาไม่ต้องท่านเราใช้ปัญญาเป็นเราอคอยดูตัวตัวกิเลสตัวความอยากทั้งพออยากได้อะไรก็ใช้ไตรักเข้าไปสอนใจ<อ>ว่าอย่าไปอยากอยากลดทุกขนะ์เนี่ยเพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันต้องหมดไปเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปพราหนูเข้าใจผิดว่าวันหนึ่งเนี่ยหนูหนูแบบจะเริ่มมีความอยากที่จะไม่ชอบว่าเช้านี้ก็ไม่ได้ทําละเวลาไม่พอเย็นก็ไม่ได้ทำ อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือทําผิด ทำได้ตลอดเวลาถ้าเป็น<ำ>ปัญญานี้ทำได้ทุกช่วงทุกเวลาให้ใจให้ดูใจให้ามาันเป็นปกติสงบแล้วะพอา ม, อมันอยากปั๊บก็ต้องใช้ ใจรักเข้าม า, าอยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้อยากให้เขาทอางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้โดยที่เราอาจจะวันนั้นอาจจะไม่ต้องไปหงุดหงิดว่าเ อ, อ้อไม่มีเวลานั่งก็ไม่เป็นไรดูใจเราเองอใช่ใเจ้าค่ะดูใจแล้วก็ใช้ปัญญาได้ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติแทนเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะแต่ถ้ามีเวลาว่างก็นั่งเพราะว่านั่งมันจะทําให้เรา มีกำลังมากขึ้นมีมีอุเบกขามากขึ้นที่จะมาสนับสนุนในการใช้ปัญญาเวลาที่เราไม่ได้นั่งขออนุญาตรวมสามคำถามครัอาจารย์เพราะมันใกล้ๆกล้ ก, กันถ้าเราเสียใจกับความรักจะรักษาใจด้วยวิธีใดทำอย่างไรจึงจะตัดความรักที่อยู่ในใจได้ไม่รบกวนเวลานั่งสมาธิและอะไรที่ดีกว่าความรักมีคุณค่ากับจิตใจที่จะทดแทนความรักได้คะ่ะ ก็คือความสงบความสุขที่เกิดความสงบเกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความรักจากการมีคู่รักการมีคู่รักก็ต้องมีการสูญเสียคู่รักไปพอสูญเสียคู่รักก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาวิธีแก้ก็มีสองวิธีเวลาเศร้าโศกเสียใจกับคนรัก ก็คือใช้วิธีแรกก็คือสติให้ท่องพุโทโธไปเวลาคิดถึงแฟนก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปให้ลืมอย่าให้ไปคิดถึงแฟนความเศร้าขึ้นกิดขึ้นก็จะหายไปวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาว่าแฟนไม่เที่ยงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเวลาเขาไปเราก็เสียใจงั้นอย่าไปมีแฟนดีกว่าตัดไปเลยตัดความอยาก พอตัดความอยากได้ยาความอยากให้แฟนกลับมาหายไปความทุกข์ก็จะหายไปความอยากมีแฟนก็ไม่มีต่อไปเจอใครก็ไม่กล้ามีแฟนเพราะกลัวกลัวจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยวิธีปฏิบัติสู่การเป็นโสดาบันจะต้องทําอย่างไรคะก็ต้องศึกษาธรรมชาติของร่างกายและความเจ็บคือเวทนาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นไฟลักมันเกิดมันดับมัน ถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราปล่อยมันเป็นไปมันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยให้มันไปเพราะเราห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้พอเราไม่มีความอยากในร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนคำถามฝากถามจากคุณวรเชษค่ะเวลาที่จิตสงบมีความสุข ความกโกรธก็ไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีจิตที่สงบแบบนี้เรียกว่าจิตว่างจากกิเลสหรือเปล่าครับก็เป็นสมาธิว่างแบบชั่วขา่าวยังไม่ว่างแบบนิพพานว่างแบบนิพพานนี้ต้องกำจัดกิเลสให้ตายด้วยปัญญาสมาธิเพียงแต่กดมันไว้เหมือนหินทับหญ้าเวลาหินไปทับหญ้าหญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้ แต่เวลายกหินออกเดี๋ยวยากก็งอกกลับขึ้นมาใหม่ได้สมาธิก็เหมือนไปกดกิเลสไว้ไม่ให้มันทำงานเหมือนกับไม่มีกิเลสตอนที่อยู่ในสมาธิแต่พออจากสมาธิมากิเลสที่ถูกสมาธิกดไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันตายแบบไม่โผล่ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะไปถอนรากของกิเลสคือความหลงความไม่เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ความไปหลงคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ก็ไม่อยากได้อะไรแล้วพอเห็นว่าได้อะไรมาก็ต้องทุกข์นั่นเองคําถามฝากถามถามีคําถามค่ะชาหหนึ่งถึงสี่เหมือนหรือแตกแต่างจากอัปปนาสมาธิอย่างไรครับ อัญนาสมาธินี่ต้องอยู่ฌานที่สี่ฌานที่หนึ่งสองสามนี่ยังมีอาการต่างๆอยู่เช่นมีวิตกวิจาร์มีปิติมีสุขอยู่แต่พอเข้าถึงฌานที่สี่พวกอาการเหล่านี้จะหายไปเหลือแต่อุบเบกขาเหลือแต่สักตวารูก็จะเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาคำถามจากคุณพอดค่ะ กราบเรียนหาพระอาจารย์ว่าถ้าเราได้กราบพระอริยะสงฆ์เจ้าด้วยใจศรัทธาบุคคล น, นั้นมีโอกาสขึ้นสวรรค์ไหมครับกราบเฉยๆไม่ได้ขึ้นหรอกลองทําตามคําสอนของพระอริยะถึงจะขึ้นท่านสอนให้ทําบุญทําทานรักษาศีลก็ขึ้นสวรรค์แน่นอนทำสองข้อนี้ก็ขึ้นสวรรค์รักษาศีลห้าไว้ให้ดีทําบุญทําทานตามกําลังก็จะได้ขึ้นสวรรค์ตามกําลังของเรา ทำทำบุญทำทานมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงทำบุญทำทานน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำแต่ต้องรักษาศีลห้าด้วยแต่กาบเฉยเฉยไม่ได้หรอกองั้นก็สบายเสียกาบปุ๊บแล้วก็ไปกินเหล้าต่อ <laughs> คำถามจากคุณสิงหราชค่ะการทํากุศลให้ถึงพร้อมหมายความว่าอย่างไรครับก็ทําบุญชนิดต่างๆที่เราพร้อมที่จะทําเราพร้อมที่จะใส่บาตรล้วก็ใส่บาตรเราพร้อมที่จะถวายสังฆทานเราก็ถวายสังฆทานเราพร้อมที่จะถวายพระาปาเร า, า, าก็ถวายพระป่ า, ปาหรือเราพร้อมที่จะไปปล่อยนกปล่อยปาลาเราก็ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วแต่ความพร้อมของเราเราพร้อมแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นไป เป็นการทำบุญเหมือนกันคำถามจากคุณพงค่ะการดูจิตกับการเจริญสติมีความหมายเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนหรอกการดูจิตนี้เป็นการปฏิบัติระดับสูงแล้วระดับเหนือต้องระดับพระอนาคามีถ้าผู้ตามความเป็นจริงต้องผ่านร่างกายไปให้ได้ก่อนถึงจะเห็นตัวจิตได้อย่างชัดเจน แต่ถ้ายังติดอยู่กับร่างกายอยู่มันจะไม่เห็นตัวจิตได้ชัดเพราะตัวร่างกายจะบังไว้ส่วนใหญ่เราจะเห็นร่างกายก่อนเราจะมีความรักชังกับร่างกายก่อนแต่พอเราปล่อยความรักชังของร่างกายได้แล้วที่ตัวที่บังจิตไว้ก็จะหายไปที่เราจะเห็นตัวจิตอีกทีที่จะเห็นว่าตัวจิตนี้มีปัญหาอะไรบ้างเราก็จะได้แก้ปัญหาในตัวจิตต่อไปส่วนการ ใช้สตินี้ก็เป็นการดูอาการสี่สิบชนิดที่เรียกว่ากรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ง mm hmm. ดูเพื่อทำให้จิตหยุดคิดปรุงแต่ง mm hmm. เพื่อจิตจะได้สงบเป็นสมาธิตามกันคำถามจากคุณกิติกรค่ะธรรมะใช้ทำลายความอิจฉาริษยาได้ไหมครับได้ถ้ามีธรรมะถ้าเห็นว่า เป็นตายลักก็ไม่รู้จะเบิดฉาใครสิ่งที่ก็ได้เราคิดว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์เป็นนายกมันไม่ได้เป็นสุขเรกเคยมาโดนชาวบ้านด่าทุกวันยังอยากจะเป็นกันอยู่นั่นะก็พราไปเห็นว่ามันเป็นสุขกันไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเป็นปั๊บนี่เป็นเป้าให้เขาด่าเลยไหม ถ้าไม่เป็นไม่มีใครเข้ามาพิไปายไม่ไว้วางใจไม่มีใครเข้ามาด่าว่าเป็นนู่นเป็นนี่หรอเห็นไหมแต่พอมาเป็นปั๊บนี่กลายเป็นเป้าให้ก็ดา่าไปไหนมาไหนนี่มีแต่คนด่าตลอดเวลาแล้วไปอิดชาเขาทําไมแล้วคนมีปัญญาไม่อิจฉาใครก็ เ, รเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เขามีนั้นมันไม่น่าอิจฉามันเป็นทุกข์ทั้งนั้ น, นอะ่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ผู้ที่คิดจะออกบวชแต่ยังมีภาระเช่นมีแม่อายุเยอะมีลูกที่ยังเล็กถ้าออกบวชนี่จะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกพระพุทธเจ้าก็บาปเลยถ้าไปบวชลูกก็เล็กใช่ไหมลูกเพิ่งคลอดออกมาแม่ก็แก่ท่านไม่ได้ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนตรงไหนเขาอยู่ของเขาได้เขามีคนดูแลแทนได้ ท่านก็เลยไปแต่ถ้าเราไปแล้วเขาเดือดร้อนนี้มันไม่บาปแต่ก็ไปทําให้เขาเดือดร้อนไม่เมตตาเรียก็ไม่เมตตาไม่สงสารก็อาจจะต้องหาวิธีหาใครมาช่วยดูแลก่อนพอมีใครดูแลแทนเราได้แล้วเราค่อยไปค่ะคำถามจากคุณพีกโกคะ่ะอ่าขอวิธีพิจารณาได้ยินสักแต่ได้ยินครับ ก็ดีให้ได้ยินเฉยๆอย่าไปโลภไปโกรธไปหลงความหมายกืออย่างนั้นคำถามจากคุณครูฮิตค่ะโยมีความตั้งใจจะนั่งสมาธิสองชั่วโมงพอใกล้สองชั่วโมงเริ่มรู้ว่าใจไม่สงบ ก็พยายามกลับเข้าไปโดยใช้พุทธโธ ท, ทีีแต่ก็ยังแว บ, บออกมาก็เลยใช้วิธีสวดมนต์ไม่ยอมลุกจนครบสองชั่วโมงคือโยมพยายามไม่ใส่ใจกับความเจ็บปวดของขาหรือหลังอย่างใช้วิธีนี้จะได้ไหมคะได้นั่งให้นานๆนั่งพยายามเบื้องต้นอาจจะต้องบังคับเวลาเพราะถ้าไม่บังคับเดี๋ยวพอเนื่ออยากจะลุกก็จะลุกขึ้นมา แต่ถ้าเราว่าต้องนั่งให้ครบเวลาเราก็จะได้ต้องฝืนบังคับเหมันแล้วพอเราฝืนบังคับมันต่อไปมันก็จะง่ายต่อไปก็จะนั่งได้ยาวได้นานไปเองแต่ต้องนั่งแบบมีคุณภาพคือต้องนั่งด้วยสติอย่านั่งแล้วใจลอยคิดฟุ้งซ่านนั่งแล้วต้องมีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการสวดมนต์ถึงจะเรียกว่านั่งแล้วมีคุณภาพ คำถามจากคุณวิโรธคะ่ะตอนใกล้ตายวางจิตยอย่างไรครับก็วางใจให้ปล่อยวางทุกอย่างถ้าตอนนี้ปล่อยไม่ได้ตอนใกล้ตายก็ปล่อยไม่ได้ยังต้องหันมาปล่อยตั้งแต่ยังไม่ใกล้ตายวันนี้มาหันมาปล่อยทุกอย่างให้ได้ ปล่อยลาบยศสรละเสริญปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยครอบครัวปล่อยร่างกายของเราปล่อยทุกอย่างที่เรามีอยู่ด้วยใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็เอาตัวเปล่าเปล่าไปทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เอาไปไม่ได้เลยต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไปฝึกตอนใกล้ตายเวลามันจะไม่พอ คำถามจากคุณบริชค่ะบทสวดมนต์ที่เราสวดมนต์ในบทต่างๆนั้นหนังสือที่เราใช้สวดมนต์แต่ละเล่มพิมพ์ไม่เหมือนกันเราจะยึดเล่มไหนเป็นเล่มที่ถูกต้องในการสวดมนต์ครับก็มันก็ถ้าจะเอาหนังสือที่ถูกต้องก็ต้องไปเอาหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเป็นจากแหล่งอื่นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะบทสวดมนต์นี้ส่วนใหญ่เป็นพระสูตรต่างๆพระสูตรก็คือทำที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นสติปัฏฐานสูตรธรรมจักกับปวัตตนสูตรมงคลตสูตรเนี่ยถ้าบทสวดมนต์เหล่า น, นี้เป็นบทสวดมนต์ที่มาจากพระไตรปิฎกแต่บทสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นก็มาจากพระไตรปิดกพวกพุทธคุณก็มาจากพระไตรปิดกอิติปิโสเนี่ยก็มาจากพระไตรปิฎก สว่าขาโตสุปฏิปโนนี่ก็มาจากคำสอนคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเห็นก็ต้องไป เ, เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปตรวจสอบได้ยงไงก็ต้องไปค้นในพระไตรปิฎกดูก็แล้วกันว่าบทสวดมนต์นี้ในพระไตรปิฎกมีไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็สแสดงว่าเป็นบทสวดที่ถูกแต่งขึ้นมาในภายหลังก็ได้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตใจและร่างกายทั้งหมดนี้มันก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมเจ้าคะเรื่องกิเลสของพวกเราเนี่ยเราไปยุ่งกับมันเองแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เป็นเรื่องถนาของอะไรที่ไม่ด้วยเป็นของเราไม่เป็นเรื่องกับเราหรอกนะแต่พอเป็นของเราปั๊บมันเป็นเรื่องขึ้นมาทันที ในบ้านของชาวบ้านไหมมันเป็นเรื่องกับเราแบบไม่เป็นใช่ไหมพอบ้านเราไหมขึ้นมานั้นเป็นขึ้นมาทันทีมันก็อยู่ที่กิเลส ข, ของเราที่ไปถือว่าเป็นของเราเหตนั้นพยายามถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็จะไม่เป็นเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาไปมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมไปอันคำถามสุดท้ายคำถามจากคุณบินนี่ค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าบทสวดมนต์บทไหนควรสวดทุกวันให้กิจการงานรุ่งเรืองคะ อ, อ๋อการสวดมนต์ไม่ได้ทําให้กิจการงานรุ่งเรืองทําให้จิตใจรุ่งเรืองเอย่งสวดบทไหนก็ได้ถ้าให้จิตใจรุ่งเรืองถ้าจะให้กิจการรุ่งเรืองไปตั้งใจทํางานหากินดีกว่าอย่ามานั่งสวดสวดแล้วเดี๋ยวไม่ทันการคุ้นขึ้นหุ้นลงไม่ทันการต้องไปคอยติดตามเหตุการณ์ทางโลก